ส่องทำตอกในการยับเตือนในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตตัวใครตัวมันรมนี่มันมีสองอย่างโลกุตละธรรมโตเกียรธรรมโตุตละธรธรมต้องต่อยอดจากโลเกียรธรรมนี่ไป มันมีรูปมีนามมีกายมีใจมีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีตามีหูสมอกเรื่องกายใจถ้าไม่ต่อยอดมันจะไปทางโลกเสียทรรมเป็นสุขเป็นทุกข์เนสุขเปนทุกข์เป็นรถของโลกโลกเสียธรรมเป็นเป็นรถของโลกโลกอุตละธรรม จนโลดที่ทำให้โลดจืดแต่โลกเกี่ยวธรรมนี่ที่สุดคือการเกิดเก่เจ็บตายจที่มันมีโลดเนี้ยจนโลกุตตรธรรมนั้นเหือการเกิดเก่เจ็บตายชีวิตเราควรจะเข้าถึงโลกุตตรธรรม เนืงจากคุ้มค่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยการสิตช่างโลคุณ ร, รักถมนี่อ า, าสัยชีวิตนี่ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือมีกายมีใจเป็นอุปกรณ์มีสติไ อาจใชใจให้ถูกต้องก็มีสติจะใช้กายใจให้ถูกต้องได้มันมีสิ่งที่ผิดมันมีสิ่งที่ถูกอยู่ที่เดียวกันนะอาปล่อยสิ่งที่ผิดเป็นผิดไปสิ่งที่ผิดต้องเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ถูกถ้ามีสติจะเป็นอย่างนั้น ถ้าไม่มีสติผิดก็ผิดแต่พืตะพือสุก็สุกต่เพืตะพือทุกข์ก็ทุกข์ต่เพื่ต่พือไปจนตายแต่ถ้ามีสติอยากเปลียนผิดเป็นไม่ผิดเป็นรูปสุกเป็นรูปอะไรก็นต่างๆเป็นรูปทั้งหมดทาลายทำลายรุดของโลเกียร์ํา ไม่เป็นโลกุ่นเราถ้าถามได้ตรงนี้เราต้องไม่มั่นใจใม่แน่แนวเราจะเอาอยัางไงกั น, นการใช้ชีวิตนี้ไม่ใช่ทำเล่นๆเนอยอะๆ เ, เอยอะๆการเอาจริงเรื่องนี้ไม่ใช่น้าด่ามเคร่เครียดเป็นการชุบเป็นการนุ่มนวลเป็นการ อนโยนเป็นการโอกครอเป็นศาสตร์เป็นศิล์ไม่ใช่ตึงตังอะไรต่างๆมันต้องนิ่มนวลพอสมควรเวลาวันหลงนิ่มนวลกับความหลงจะทำยังไงอย่าให้มันหยาบๆยบ มาหนักเป็นเบาบางยากเป็นม่มาผิดนี้เป็นถูกตรงนี้ต้องมีสติเ ป, เป็นเป็นเครื่องรับมือในโรดของโลกที่เป็นโลกเกียรรทำมีสติถ้ามีสติอาจจะยิ้มได้น้อยๆเวลาอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราคือชีวิตนี้ มีกายมีใจสำหรับรองรับรถของโลกเราจึงมีงานเมิการทำามาใช่ปล่อยทิ้งการงานของเราในงานสร้างโลกุตระนี่เป็นงานชีวิตของสวนตัวของใครของเราเราจะได้ประสบการณ์ได้บทเรียนจากโลกิยะนี่ ไมันเป็นเสียงที่มีคุณค่ายิ่งขึ้นน่าจะขอบคุณหวงหลงความโกรธความโลภความทุกข์เพราะมันทาให้เกิดการพัฒนาก็เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะได้บทเรียนมากเท่านั้นราการที่เคยกับป่ากับสิจใจมากมายหลายอย่างก็จะตามมันทั้งหมดสี่ร้อยพบที่เรินใช่ชาติเอเกิ่ยสงขยชาติก็ไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าเราศึกษาแบบโลกุตธรรมแล้วจบเป็นทันคัดไปเป็นสูตรเหมือนกับเราเรียนหนังสือ นวานปอยโถมมัธยมชั้นอุดมจนสุดเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในวิชายการต่างๆได้ร่างกายของเรามันก็มีสูตรจิตใจก็มีสูตรสูตรเจ้าก็บอกแล้วในโลกุณธรรมตั้งต้นที่ตรงไหนเราก็รู้หลังจากพระสูตรอยู่ตลอดเวลา ตอนเดียวขึ้นป้ายวัดป่าชุกโตสถาบันสติปัฏฐานเด็ดขาดสถาบันแท้สติปัฏฐานอยู่ที่ไหนลิ๊กทึก์ทุกข์ชีวิตเป็นสาบันเรื่องนี้เดียนให้จบอายาและาสนาสติปัฏฐาน สิ่ใดที่เกิดขึ้นก็ต่อไปกายในกายเห็นสักว่ากายไม่ใช่สัตว์อุคนตัวตนโลกเขานี่ก้าวแรกที่ข้าสู่ลกกุตละธรรมก้าวแรกก็ตรงนี้หายสักว่ากายไม่ใช่กูโตไปอีกมันมีกายแล้วมีกูไปอีกกี่กูก็ไม่รู้เป็นตัวเป็นตนเกิดช่อนช่อนอยู่เนี่ย มันเป็นทางโลกิยะไปทางเคยแจ็เจ็บตายมันเกิดมันดับจุกีพบขีชาติรู้ไหมเกิดกับตายเลยนาะ ไ, ได้เห็นสติปัฏฐานเป็นสถาปันที่ศึกษาโนสกว่ากายไม่ใช่จัุปคกนตัวตนหลักเขาเ้าแรกเมื่อเห็นกายได้แล้วก็เห็นหอันอื่นเวทนาที่เป็นสุขนทุกข มันยิ่งใหญ่สุขก็ทุขทุกข์ก็ทุกข์ทุกข์ก็ลองให้สุขก็หัวโลหัวใจฟัมไม่พอใจไปไกลเป็นชีวิตเป็นจิตเป็นซึมเป็นทรัพย์ติดเพื่อนเปะไปหมดเลยทุกเป็นสุขทุกเป็นทุกโผล่ไปกันทั้งขุ่นหวายกันทั้งโลกแย่งกัน เพราะนั่นนี่ไปไกยอ้าวทุกเรียกว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่เชส่อจดอุกรตัวตนหลอกขอลองดูซิเน่เน่เชื่อไหนเรเนะต้องการอะไรกันแน่หรือทำแบบจันย่อนจุมอยู่ล่อๆ อ, อยู่เหมือนสายลกอปาชีวิตเหมือนกับสายลกอปาเขาจะเป็นสุขเป็นทุกข์ดงได้ ว่าลงได้สุขเป็นสุขสูญเสียไปหมดเลยชีวิตของเราที่เป็นบริสุทธิ์โปรตผองเประเพื่อนปูนปไปหมดจิตที่มันคิดขึ้นมาไม่ไม่มีจิตไม่มีธาตุลู่หรือว่าปิญญาณธาตุมันลู่อะไรมันจปลูกเป็นน้มเนีน่ยแล้วก็มันคิดยิ่งหญ่ ควานข้องจิตคือความคิดเป็นไม่เป็นมือของจิตใจมันก็เกิดคิดขึ้นมาโดยที่ตั้งใจก็มีไม่ได้ตั้งใจก็ม่แล้วก็ทําตามความคิดเรื่องนตัวกับความคิดถ้าคิดไหลขึ้นมาก็ตามไปอาศัยความ พอใจซ้อนในความคิดไม่พอใจซ้อนอย่ในความคิดไปอีกถามตามความพอใจทาตามก็ไม่พอใจไปไกลเป็นภบเป็นชาติไปมาดีความคิดขึ้นมาคิดแบบกดตอดตัวเองให้เจ็บปวดน้ำตาไหลนอนไม่ดับกินไม่ลง ความคิดเฉยๆก็ไปไกายแล่นไปกายเป็นพวงเป็นเหลือพ่วงไปหนักอึ้งไปไม่รู้จักวางหยุดคิดไม่เป็ น, ม, นมากลายเป็นอารมณ์ไปเป็นจริตนิสัสโวกกูลเหมือนดินพวกเหงาหมูผู้ที่หวังไปสู่โลกุตตรธรรมต้องเด็ดขาด มีการเด็ดขาดกับตัวเองบ้างอ่าเด็ดขาดกับคนอื่นจึงอื่นวัตถุเด็ดขาดกับตัวเราเนี่ยกระชากขึ้นมาเห็นโู่สึกตัวกิดก็สึกวิกดิดไม่ใช่จดปุกคนตัวตนโหลขอเห็นเราหลงก็ยังเฉอยอยู่พูกก็ยังเฉ อ, อยอยู่สุกก็ยังเฉอยอยู่ แม้ที่มันเป็นอะไรเกิดขึ้นมากมายกระทบกระทือนไปเช่นก็ยังเกิอยู่ได้มีไม้มือทำาคมชั่วนีป่ากพูดสิ่งที่ผิดมีใจิตใจคิดสิ่งที่ผิดมีก็ายกะทำมาสิ่งที่ผิดปล่อยกายจึงชาติมัเกิตัวขึ้นม า, มนนมาถ้าปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน เป็นสถามันจริงๆมันพิจาาบันจริงๆสิ่งที่ผิดที่ถูกบอกอยู่ในนี้ถ้ามีสติจะเลือกเป็นมาไลยเป็นดีรู้สึกรู้สึกตัวกับมารู้ฉึกตัวโดยเพราะวิชากรรมฐานไม่ใช่เป็นบทท่องจำเป็นภาพปฏิบัติ ไม่ใช่หร okay. ืากายสะวะกายไม่ใช่สัตวุกคนตัวตนโลกของอันนี้เป็นภาษานกแก้วนกขนทองตอนที่มันจะเป็นกายสวะกายมีตรงไหนตรงที่เหมือนเกิดไหลเกลื่อนปายนั่นหรอกไม่ใช่ท่องจาแล้วเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคกรรมฐานมีสติลงไปกรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทำกางกระทําเป็นต้นเหตุหนึ่งคือการกระทํา เ, เหตุนับหนึ่งเกิดขึ้นมาลู่ทันตีอะไรที่มันเกิดกับก่อนลู่ทันตีทําแล้วไม่ทําแล้วไม่ลู่แล้วแล้วก็มันมือตรงนี้นะถ้ากรรมถานยจริงแนละ้วผู้ที่ผู้ที่จริงๆนะในเรื่องชีวิตเนี่ย อาจจะไม่นานนะเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุไม่ให้ถูกความชื้นไม่ถูกความชื้นไม่แห้งถูกอะไรต่างๆมันก็ไม่มีโอกาสเจ็๊กงอกได้เมื่อไม่ถูกความชื้น มีมีโอกาสถูกความชื้นไม่มีวิธีเก็บรักษามันก็จะบอดได้เป็นข้าวเผือกเป็นพืชพันพันพืชต่างๆอาจจะบอดได้ปฏิบัติธรรมก็บอดบอดในโลกิยะได้สุขไม่เป็นสุขทุกข์ไม่ทุกข์สักแต่ว่าเนี่ยนี่กรรมาฐานมันสักแต่ว่ามันบอดได้ เพราะไม่เกิดความสุขเพราะไม่เกิดความทุกข์เพราะไม่เกิดที่เดลอตนหรอครเพราะไม่เกิดความปวดรูปหลงเพราะไม่เกิดมันปวดได้ไปู่วูกกกระทหได้เหงาโลกได้ในชีวิตนี้เราจึงต้องเดือดดากับการใช้ชีวิตบ้างปวดเลียนเยอะแยะ เกิจากกายก็มีบทเรียนเกิดจากจิตใจก็มีบทเรียนเกิดจากธรรมก็มีบทเรียนมากมายแม่ธรรมก็เป็ น, น, น, นกุศลดอกกุศลแม่โรคก็มีโลคเกียรติยโร ก, กุตตะลาธรรมเโลเกียะติาธรรมเโลค ก, กุตตะลาถ้ามีสติจะรู้จักเลือกตายเวลาเราปฏิกรรมฐานมีสติตายเห็นกายเ ป, ไป็ประจํา สนุกเตือกขู่แขนเข้าเหยืยแขนหนอเป็นการเข้าห้องเรียนก็ได้เป็นการลงสนามฝึกตัวเองก็ได้ไม่ใช่นั่งลอยๆนั่งสงบความสงบที่เป็นนั่งนิ่งๆ น, งนงัน้อยๆ อ, อย่าทำมากนิ่งมาอกา่อนแต่ว่าเจริญสติปุทธานนี่ขยันลูกอ่านขยันลูกดีกว่า ภาวนาภาวนาเอากายมาเป็นความขยันรู้เอาความคิดมาเปเรื่องเหตเอาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นากระจายมาเป็นวัตถุอุปกรณ์ให้เกิดความขยันรู้เณภาวะที่รู้นี่ใช่ได้ทุกรูปแบบที่มันอยู่ในกายในใจเราเนี่ย จะเป็นทุกข์ก็รู้จะเป็นทุกข์ก็รู้จะเป็นโกรธโลภหลงก็รู้จะเป็นความคิดก็รู้มากมายต่อยอดได้ทุกวิถีทางสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมล้อะไรก็จะรู้มันทั้งนั้นแหะถ้าทำของมฐานถ้าทํากรรมฐา น, ารรฐานจะนั่งยกมือสร้างจาังหวะเลื่นอยู่ถ้าไม่ อะไรมันเกิดขึ้นถ้าไม่มาเป็นรูปมันก็ยังใช่มาได้ยังไม่ถูกกวนาดัง แ, แต่รูปแบบเพนจิริยาไม่มีก ร, รมไม่มีผลยังจับให้ถูกการถูกตนสอนตนต้องจับให้ถูกสยใจสักหน่อยไม่ใช่ทาแบบมงมงงสาวาต้นนุ่นเดาๆคำหนวนขณีเอาไม่ใช่แบบนั้นต้องจับ ให้มั่นขั้นให้เหนียวมันเชื่อเป็นทําให้มันเป็นไม่ใช่เหรียนรู้ทำให้เป็นภาวะที่เป็นจากการฝึกกรรมฐานไม่มีโอกาสลืมไม่เหมือนความรู้ความจำเห็นเลยก็เห็นเห็นอันเดียวเห็นความหลงอันเดียวหน้าตาความหลงกับหน้าตาความรู้มันก็เหมือนกันความรู้วันเดียว ก็อยู่ก็เปลี่ยนหลงไปรู้อันเดียวกันทุกข์ก็รู้ันเดียวกันมันจะมีอะไรมากมายถ้าเราเอาจริงๆนึ่งก็ผันด่านให้เราได้เห็นทุกอย่างที่มันเกิดกับขึานกับใจเรานี่จบได้เพราะนันจริงร้อง ต้อมใจลงสนามผึกตนสอนตนโอกาสดีนาะทีทองรางม่มิตรมีเพื่อนกันมีตัวมีตนขอเทย์สูรพูดกันฟังเพื่อย่อมเตือนเหมือนอยู่ที่เป็นอาจากพรูรมาพูดต่อมันเป็นหมดการกระทําให้มันเป็นปัจจุบัน ในโอกาสในเวลาในกัะบวนชารชีวิตของเราอาสอนเราได้ทุกอย่างในพระสูตรนนะเช่นพระเจ้าสอน อ, อ น, นุนิคายหนนิคายหางอาจารยท้าว่าขามิเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดเราจะขนับแล้วขถนดบอีกไม่มีหยุดผู้ใดเป็นมรคนเต็นเจริาสารทีทนอยู่ได้ คนเราควรคบผู้คนที่มีปัญญาใดคอยีิดโทษเขาคอยับอยู่เสมอไปว่าผู้นั้นแหละคือผู้ที่ขุมชักให้เราเอามาสอนเราแม่พระพุทธเจ้าปฏิบานไปนานแล้วนั่นก็ยังเป็นปัจจุบันปัจจิตังอยู่กับชีวิตเราเป็นตัวเป็นตนอยู่โถหน้าเรานี่พระบาทจางก็มีอยู่เห็นหลอยมีกลิ่นมีไอกันอยู่ ความดีความถูกต้องไม่หนีไปไหนอ ย, อยู่กับชีวิตเราเนี่ยไม่เปลี่ยวเดียวดายวันนี้ก็แจ็ไปอีกวันหนึ่งงดไปแล้วชีวิตเราทาอะไรอยู่แต่ก็ตัวท้งโลกระเบ้าไหมหรือมีใจต่ำลงไปหมักหมมวยโลสีหยาบหลบกคุณคิดในลมที่พุณนคิดน้อมสีจ้อมใจประธานได้ หาเป็นอารมณ์ความยินิดนิสใยไปก็มีคิดมากโน้มใจไปอะไรมากก็เป็นอารมณ์ยินริดนิสัยแบบนั้นนายน้อเจ้าภาวนาเนี่ยันเป็นเรื่องศาสติ์ิ้น์ขอการใช้ชีวิตของเราอยายหลูด ความรู้ไม่มีอะไรขวงกันได้การใช้ชีวิตของรูปของนามมา่าเป็นเรื่องความรู้สึกตัวน่อยทุกทุกทั้งหมดบ่อทั้งหมดไม่มีอะไรที่ปิดปังได้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเปรศที่สุดความรู้สึกตัวไปกับการใช้ชีวิตของเราที่มีกายมีใจ อาการเกิดกับกายอาการเกิดกับจิตใจควมรู้จัตตัวกากับตูแลได้ทั้งหมดเลยหนีไม่พ้นเหมือนพระพุทธเจ้า ว, ว่าผู้มีสติเป็นหน้าโลกไม่เผอหน้าโลกเห็นอดเราก็ได้สูตรได้สูตรที่จะมาศึกษาเดิมนี้ จริงๆเป็นอยู่กับเราทุกชีวิตสูตรเนี่ยไม่ไดเขียนไปในตำราเขียนไปตัวหนังสือแต่ไปอยู่ในชีวิตเรานี้ไม่ใช่อยู่ที่หนังสือสัมผัสได้คําว่าพุท ธ, ธะสัมผัสได้ในะคำว่าธรรมะสัมผัสได้นธรมะสังขา เป็นคุณธรรมที่เกิดกับเราธรทมอยู่ในชีวิตเราก็ทาให้เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าถ้าอาธรรมอยู่ในชีวิตเราก็ทำให้สูญเสียจริงเหล่านี้เราทำได้ทุกชีวิตเราลกพระธรรมไม่ก็ลบอาธรรม รวมหลงเป็นออธรรมรวมรูปเป็นธรรมมีไหมเราเคารพอะไรเราโน้มใจไปทำอย่างไรเสียเวลากับอะไรบ้างสิ่งที่ควรแก้ไม่แก้สิ่งที่ควรทำก่อนทำทีหลังไม่เป็นระเบียบมันก็เลยเป็นการบ้านงานยุ่งเหยิงงานข้างคารวมหลงอยู่ ผ่านมาแล้วสองวันสามวันยังหลงอยู่ความทุกข์ผ่านมาแล้วยังหลงยังทุกข์อยู่ไปทำปันอื่นก่อนใชปีําก่อนต้องทำก่อนก็คือปฏิบัติธรรมนี่มันจะเป็นละเบียบดีมันสอนตัวเองได้ดีต้นตอของอกุศลเกิดจากความหลงแน่อนอน ต้นต่อจากกุศลเกิดจากความรู้เนืนอนที่สุดตั้งต้นตรงนี้แก่ก็แจ่ตรงนี้แล้วก็กรรมิชากรรมฐานก็เพื่อการนี้โดยตรงไม่ใช่กรรมันอื่นทาได้ทุกคนระหว่างความหลงระหว่างความรู้เห็นทุกคนไม่มีเั็นปิดปังอภิพากดิเวลาเรา ก, กระมาฐานมันจะโชว์ให้เห็นความหลงความรู้ทันทีที่แรกเลยทีเดียวด่านแรกเลยเห็นควอมรู้เห็นความหลงเป็นประตูแรกเป็นด่านแรกมีแต่ลูกมีแต่หลงแล้วก็จะรู้ไปอีกมากมายจับหลักได้เดินเอาเองก้าวเองได้ วิชากรรมฐานมันวิชาที่เปิดตัวได้เองไม่ใช่คนอื่นทำให้เกิดตัได้เองเดินไปได้เองเพียงแต่บอกว่าผู้ฉันเข้ารู้สึกเหยื่อฉันอกรู้สึกแลมันคิดกับรู้สึกตัวอะไรที่เกิดขึ้นมารู้สึกตัวกับมานี่ก่อน วัฏฐานเป็นที่อยู่เืิมก่ อ, อนรอเราเพ่งไปหาเหตุผลผลใช่ความคิดแค่ความคิดกลับมานี่ก่อนมันอึดเลยขึ้นกลับมานี่ก่อนแล้วกลับมาลูกก่องกลับมาลูกก่อนความลูกมันจะเป็นขยายไปเองขยายเป็นสตีปัญญาเองเปัญญานนณทัศนะเอง ไม่ต้องไปใช่เหตุผลเหตุผลไม่ใช่ศาสนาล้รร ม, มหลงไปเอาเรื่องที่เป็นเรื่องยยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำไมจึงหลงมัน่าจะหลงม่นน่าจะเป็นอย่างนั่นอย่างนี้ไปใหญ่อมนักปฏิบัติธรรมทำใหม่จะไม่มีมีแต่รู้ทันทีไม่เสียเวลานี่สิ่งที่ ในที่มาก่อนแค่ก่อนมันเป็นลูกก่อนไม่มีทำาหม่มันถูกก็ทาไม่ทำาไมมันทุกก็ไม่วาทำาไมมันผิดก็ไม่ทำาหมถูกก็ไม่มีไรมีแต่ลูกมีแต่ลูกไปก่อนชีเไปอย่างนี้ประสุ่ยก็บอกว่าอย่างนี้จริงๆนะกายเว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเสีเวลาไปก่อนแม้จิตใจมันยังไม่ลงตัวก็ คิดทางไปอย่างนี้ก็อนวิถนะศึกว่าวิถนาไม่ใช่สัตรูคนโตตนเราเขาไปทางนี้ก่อนคิดสัพว่วาคิดมันจะเกิดความสุขความทุกข์จากคิดก็ศักแต่ว่าคิดไม่ใช่สัตรูคนโตตนเราเขาจะให้มันไปสุขความทุกข์ความคิดจะให้ทุกข์ก็ความยะให้สุขความสุ ข, ส ข, สขสไปก่อนสุขก็ศักแต่ว่าทุกข์ก็ศักแต่ว่าไปก่อน เป็นทางไปก่อนบุกเส้นหน่อยตอนนี้ต้องบุกเส้นหน่อยยาเจาะเจเ็ดหรือว่าบุกเบือ่ปเข้าทางทำไปตรงเข้าไว้ก่อนสเราจะทําสาทนเสาทนนี้เป็นสี่เหลี่ยมต้องเข้าไว้ก่อนเอาตั้งไหนตั้งเข้า ก, ก่อนเข้าแต่แกเไป เป็นรูปเป็นร่างไปง่ายชีวิตเราก็เข้าไปมีสูตรอยู่เนี่ยสถาบันสติปัฏฐานสูตรมีกับพิวิตเราทุกชีวิตไม่เป็นหมืนมีชุธิมีโอกาสไ ด, ได้เต็ีมที่ร0อยเป มีกายทุกคนมีมือทุกคนกู่เขียนเขารู้สึกอย่อฉันออกรู้ซึกรู้จริงจริงไม่จ้คิดเอาสมบัติได้รูปที่สมบัติรู้ออกเองนี่ไม่เป็นดุลเป็นก้อ น, นตั้งโ้นจากกายเป็นดิมิตเหมือนเราไปเขียนหัดเขียนเอาถือก็ก่อยู่ในกระดานหัดเขียนยว้ก่อน มหัดเขียนหัดตัวมันก็ติดเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ที่นี่แล้วง้ น, นมีสติเห็นตูกายอยู่เสมอมันอยู่ที่นี่อะไรที่มันมั่งลู่ลู่ลู่น้อยน้อยก้มมือเดียวพับใส่กระเป๋าชีวิตทั้งชีวิตพับใส่กระเป๋าเรียบร้อยไปเลยโดยอยู่กับโลกได้โลกเยอะจะมีขนาดไหนเห ย, ยียบไปเลย ตัวแกเจ็บตายไม่มีร้อุกโกทุกข์ไม่มีบอดไปเลยตัวให้มันบอดจะกล้าไปกล้าบอดไหมไม่ขียน้อยจะกล้าบอดไหมเสียดายเลยียดยโลกเลยมีนะบางทีก็เสียดายนะเสียดายโลกนะเพราะ น, านายยั่นไงเอาแค่ไหนเพียงไรฝึกกรรมฐานเนี่ย กลาบอดจริงไหมถ้าก็บอดก็ไปท้ายนี่นะนี่โลกุตละจึงเหนือโลกเสรนไหมทเจ้าจงว่าชาติสิ้นแล้วคิดสิ้นอะไรชาติสิ้นแล้วภพมจันท์อยู่จบแล้วจิตอื่นทาไม่มีอีกแล้วงอยูีแล้วมันบอดไม่มีเลยให้เป็นภารแล้วมีแต่แกของโศกเจงไม่ตากุนาเกิดขึ้น ใชเอ๋เป็นม้ดกของชีวิตเราบุงกุดชีวิตเราเห็นหมดเนาะติเนี่ยเกิดเผยทั้งหมดบกผิดบกถกเรื่องสติต่อเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกเห็นสุขเป็นสุกแค่นั้นเองแค่นั้นเองเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วทําแล้วทําเสร็จแล้ว ก็ไม่จบใช่าไงเห็นแล้วรู้แล้วทำได้แล้วสำเร็จแล้วนี่ทุกอย่างอยู่ในลักษณะแบบนี้เรียกว่าจบมีอะไรมากมั้งใไหมในคิตของเราในการในใจเราเน่แม้จะเป็นกิเลสนรน้าตัณหาร0อยแปดมันก็แบบนด้มันไม่ลับลี่อยู่ที่ไหน ตั้งต้นจากกายจากเวทนาจากจิตจากธรรมอาการของกายอาการของจิตใจมีให้เห็นหมดอาการของกายมีเท่าไหร่อาการของจิตมีเท่าไหร่เห็นแล้วรู้แล้วทําได้แล้วทําสําเร็จแล้ ว, ลวอาการของกายรู้แล้วอาการของกายทําได้แล้วอาการของกายทํำสาเร็จแล้ว นกน้อาคารน้องจิตสิ่งที่เกิดกับกับกิตรู้แล้วทำแล้วทำได้แล้วทำสำเร็จแล้วเรียกว่าจบจหมายปลายทางคือต้องไม่เนือเหนือทุกอย่างอยู่ในโลกเรียกว่ า, าสมมาสมาธิจุดหมายปลายทางของอดีตมรณะ เาสุขเราทุกข์เพราะเราสุขเราทุกข์เสียได้มีสติเป็นเอกผุดจูเป็นเอกอยู่จบตรงนี้เพราเราสุขเราทุกข์ได้มีสติพุดเป็นเอกตันที่สเจ้า่รงมาหน่อยก็มีสติอราสุกเราได้มีสติอยู่ในสุขนามกายแล้อหวังอีกมีสติ นะสุกเดาทุกสิได้มีสติพุทเป็นอยู่มีอยู่มีสติเป็นอยู่ ม, ยมีสติเป็นอยู่จุดหมายปายทางแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่สุกป็นสุกทุกพันทุ ก, ท ก, ทกอะไรต้องมาลงอยู่ที่ความรู้สึกตัวมาลงอยู่ในความรู้สึกตัวนี่จุดหมายปายทางมองทิศไปโ น, น่นพงใชัยพลานอยู่โ น, น้นสบัดอยู่โ น, น่นถึงสติสติสติสตสต มืนสวัสดิ์งใจไว้ว่ากาสวัสดิ์อ้างเขาชีวิตของเราเลยนี่คือหอัวดุของชีวิตเราเัาพยายามจะเอาอะไรมาอ้างเอาความหนุ่มความสาวเอาความแจ่วความเท่ามาอ้างไม่ได้เอาเพศเอาวัยมาอ้างไม่ได้ เอาลูกหลานมา้างไว้ได้เอาบ้านเอาเดินเอาผมทุ่งยากมาอ้างไว้ไม่ได้ทำอย่งนี้ไม่มีอะไรอ้างขวงได้มีสติได้ทุกอย่างอะไรที่มันเกิดกับเรารูปอะไรเกิดก็รูปงองลูกรูปคิดถึงหลานรูปคิดถึงบ้านรูปคิดถึงเพื่อนรูปคิดถึงสามีรูปคิดถึงปัญญารูปคิดถึงคนที่ตายไปรูปคิดถึงคนที่ยังอยู่รูป ทำไปทะลุทะลุถึงสุดยอดรูไปเลยะไยิ่งใหญ่บางอย่าไปให้มันขวงอยู Spo ่ขวมล้อขวมช้างกักขังอยู Ik ่มัดทั้งสิเลยมันมันขี้เหเนเวขี้เหาองเข้มแข็งเข้มแข็งเอาเถอะนะฝรั่งฝรังอยกขอเชียเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลย ในความหลงไม่หลงก็ได้นะอยากจะบอกแบบนี้ในความทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ความโกรธไม่โกรธก็ได้ในกิเลสตนะัณหาไม่ต้องมีกิเลสตัณหาก็ได้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นเอาเลยนะเอาให้มันรีบไปเลยสูดเข้ารีบสูดประเกียบหลอด <c oughs> อมันติดต้นไปเลยไม่มีอะไรจะพูดหรอกสูดเข้ารีบสูรประเกียบหลอดเขารีบไม่ได้พูดนะ เข้าบอดเอา้ามันบอดเพราะไม่เกิดเพราะไม่เกิดจะให้เกิดสุขมัไม่เกิดจะเกิดทุกข์มันไม่ทุกข์เกิดกกรธเกิดอะไ่ไม่เกิดวางไปก็ที่งอยู่นั้นมันบอดมันบอดวิเลศมันบอดลุดโลกมันบอดเืิดประเด็นเกิดประเม็นนี่เราควรทำสมขวรใจเวลากับพระพร้อมกัน